เจคภาษุพเทธเจ้ากล่าวว่ากลรมนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยในกลรมนี้มีความยินดีน้อยมีทุกข์มากผู้มีปัญญารู้ว่ากลรมนี้เป็นดุดขอเหล็กแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกคำว่ากลรมนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยอธิบายว่าคำว่าเครื่องข้องเบ็ดเหยื่อความเกี่ยวข้องความผัวพันนี้ เป็นชื่อของกลามคุณห้าคำว่ามีความสุขน้อยอธิบายว่าสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกลามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันน่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสองเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู สามกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกสี่รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นห้าโผฏพะที่พึงรู้แจ้งทางกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายกลามคุณห้าอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายสุขสมมัะอันใดแลอาศัยกลามคุณห้านั้นเกิดขึ้นสมมัะนี้เรียกว่า กามคุณอันเป็นสุขสุขนี้น้อยคือเล็กน้อยหน่อยเดียวเลวสามลามกสกปรกรวมความว่ากรามนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยคำว่าในกามนี้มีความยินดีน้อยมีทุกข์มากอธิบายว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแคนมาก ในกรามนี้มีโทษอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากรามทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อเปรียบเหมือนคกเพลิงหญ้าเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงเปรียบเหมือนความฝันเปรียบเหมือนของที่ยืมมาเปรียบเหมือนผลไม้คาต้นเปรียบเหมือนเคียงหั่นเนื้อเปรียบเหมือนหอกแล้วเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากในกรามนี้มีความคลับแค้นมาก มีโทษอย่างยิ่งรวมความว่าในการามนี้มีความยินดีน้อยมีทุกมากคําว่าผู้มีปัญญารู้ว่าการามนี้เป็นดุจขอเหล็กแล้วคําว่าก้อนเหล็กเบ็ดเยือ่อความเกี่ยวข้องความผูกพันความพัวพันนี้เป็นชื่อของการามคุณห้าคำว่าว่าเป็นคําสนทิเป็นคําเชื่อมบท เป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะคำว่าว่านี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าผู้มีปัญญาได้แก่ผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตัดสรุปมียานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสได้คำว่าผู้มีปัญญารู้ว่า กรามนี้เป็นดุจขอเหล็กแล้วอธิบายว่าผู้มีปัญญารู้คือทราบเทียบเคียงพิจารณาทําให้กระจางทําให้แจ่มแจ้งแล้วว่าเป็นดุจขอเหล็กเป็นดุจเบ็ดเป็นดุจเยือ่อเป็นเครื่องข้องเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องพัวพันรวมความว่าผู้มีปัญญารู้ว่ากรามนี้เป็นดุจขอเหล็กแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรศ ด้วยเหตุนั้นพระประเจกประสมพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่ากามนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยในกรารมนี้มีความยินดีน้อยมีทุกข์มากผู้มีปัญญารู้ว่ากามนี้เป็นดุจ ข, ขอเหล็กแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก เจเจกระสังพุทธเจ้ากล่าวว่าพระประเจกระสัมพุทธเจ้าทำลายสังโยชน์แล้วเหมือนสัตว์น้ำทำลายคายและเหมือนไฟไม่เชื้อหมอดหมดไปไม่กลับมาจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกคำว่าทำลายสังโยชน์แล้วได้แก่สังโยชน์สิบอย่างคือหนึ่งกลามราคะสังโยชน์สังโยชน์คือความกำหนัดในกลาม 2. ปฏิฆะสังโยชน์ สังโยชน์คือความกระทบกระทั่งในใจ 3. มาะณะสังโยชน์สังโยชน์คือความถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ 4. ทิฏฐิสังโยชน์สังโยชน์คือความเห็นผิด 5. วิจิกิจฉาสังโยชน์สังโยชน์คือความสงสัย 6. ศีละพตาปรามาสังโยชน์สังโยชน์คือความถือมั่นศีลพรด 7. ภวราคะสังโยชน์ สังโยชน์คือความติดใจปรารถนาในภพแปอิจสาสังโยชน์สังโยชน์คือความริษยา 9. มชัชยริยาสังโยชน์สังโยชน์คือความตรนีสิบอวิชาสังโยชน์สังโยชน์คือความไม่รู้คําว่าทําลายสังโยชน์แล้วอธิบายว่าทลายทําลายคือละบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีก ซึ่งสังโยชสิบอย่างรวมความว่าทำลายสังโยชนแล้วคำว่าเหมือนสัตว์น้ำทำลายคายอธิบายว่าคายที่ทำด้วยได้เรียกว่าคายน้ำท่าเรียกว่าน้ำปลาเรียกว่าสัตว์น้ำอธิบายว่าปลาทำลายทำให้ขาดทำให้ฉี่ทำให้พังทำให้คายพังทลายแล้วแหวกไหวยอยู่เคลื่อนไหว เป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปได้ฉันใดขายมีสองชนิดคือหนึ่งข่ตันหาสองขาข่ทิฐินี้ชื่อว่าไขา่ตันหานี้ชื่อว่าไขา่ทิฐิพระประเจกจัมพุทธเจ้านั้นละไข่ตันหาสลัดทิ้งข่ทิฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละไข่ตันหาสลัดทิ้งข่ทิฐิได้แล้ว พระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงไม่ข้องขัดในรูปเสียงกลิ่นรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏภะ ท, ที่ได้รับรู้และในธรรมมณ์ที่พึงรู้แจ้งคือไม่ยึดไม่ผูกไม่พัวพันออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าเหมือนสัตว์น้ำทำลายข่าย คำว่าเหมือนไฟไม่เชื้อมอดหมดไปไม่กลับมาอธิบายว่าไฟเมื่อไม่เชือ้อคือหญ้าและไม้ไปไม่กลับมาฉันใดกิเลสเหล่าใดพระประเจกฉันผู้เทเจ้านั้นละได้แล้วด้วยโสดาปติมักท่านไม่มาคือไม่ย้อนมาเมื่อกลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกกิเลสเหล่าใดท่านละได้แล้วด้วยสกทาคามิมัก กิเลสเหล่าใดท่านละได้แล้วด้วยอนาคามิมักกิเลสเหล่าใดท่านละได้แล้วด้วยอรหัตมักท่านก็ไม่มาคือไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่าเหมือนไฟไหม้เชื้อมอดหมดไปไม่กลับมาจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกด้วยเหตุนั้นพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่า พระประเจกษัมพุทธเจ้าทำลายสังโยชน์แล้วเหมือนสัตว์น้ำทำลายข่ายและเหมือนไฟไม่เชื้อมอดหมดไปไม่กลับมาจึงประพฤติอย่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกษัมพุทธเจ้ากล่าวว่า ภิกษุเป็นผู้ไม่สอดใส่จักสุและไม่เป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคุ้มครองอินทรีย์รักษาใจได้แล้วไม่ชุ่มด้วยกิเลสไฟกิเลสมิได้เผาจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดว่าด้วยผู้ไม่สอดใส่จักสุคําว่าเป็นผู้ไม่สอดใส่จักสุและเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขอธิบายว่าภิกษุเป็นผู้สอดใส่จักสุเป็นอย่างไร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 เดินมองช้างมองม้ามองรถมองพลเดินเท้ามองเด็กชายมองเด็กหญิงมองสตรีมองบุรุษมองร้านตลาดมองหน้ามุกเรือนมองข้างบนมองข้างล่างมองทิศน้อยทิศใหญ่ภิสุชื่อว่าเป็นผู้สอดส่ายจากสุเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งภิสุเห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้รวบถือเป็นผู้แยกถือ อวัยวะส่วนต่างๆย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุโสธรรมผู้อภิชาและโทมนักครอบงําได้ย่อมไม่รักษาจากขุนศีย่อมไม่ถึงความสํารวมในจากขุนศีภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สอดสายจากสุเป็นอย่างนี้บ้างอีกนหนึ่งภิกษุเป็นผู้ขวนขวายดูการละเล่น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 ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สอดายจักสุเป็นอย่างนี้บ้างภิกษุเป็นผู้ไม่สอดายจักสุเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวิันนี้ไม่เป็นผู้มีตาลอกแลกเคอไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้มีตาลอกแลกด้วยคิดว่ารูปที่ยังไม่เคยดูเราควรดูรูปที่เราเคยดูแล้วควรผ่านไปเลยจึงไม่เป็นผู้ขวนขวายการเที่ยวนาน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 เป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านเดินทางไปตามถนนก็อสำรวมไม่เดินมองช้างไม่มองม้าไม่มองรถไม่มองคนเดินเท้าไม่มองเด็กชายไม่มองเด็กหญิงไม่มองสตรีไม่มองบุรุษไม่มองร้านตลาดไม่มองหน้ามุกเรือนไม่มองสูงไม่มองต่ำไม่มองทิศน้อยทิศใหญ่ภิกษุชื่อว่า เป็นผู้ม่สอสายจักสุเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสัารวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สัารวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอากุศสลธรรมเพื่ออภิชาและโทมนักครอบงำได้ย่อมรักษาจากขุนศีถึงความสัารวมในจากขุนีภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มิสอสายจักสุเป็นอย่างนี้บ้าง อีกในหนึ่งภิกษุเป็นผู้งดเว้นจากการขวนขวายดูการและเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลเห็นปานนี้เหมือนสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วก็ไม่ขวนขวายดูการและเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลเห็นปานนี้อยู่เคือการฟ้อนการขับร้องการประคมดนตรีการจัดกระบวนทัพภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มิสอดใจากสุ เป็นอย่างนี้บ้างรวมความว่าเป็นผู้ไม่สอดสายจักสุว่าด้วยผู้มีเท้าอยู่ไม่สุคำว่าและไม่เป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุมีอธิบายว่าพิสุเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุเป็นอย่างไรคือพิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุเืลอประกอบด้วยความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุจึงเป็นผู้ขวนขวายในการที่เขาไปนาน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 ที่สุเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุเคือประกอบด้วยความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขในสังฆารามมิใช่เพราะเหตุแห่งประโยชน์มิใช่เพราะเหตุแห่งการกระทําแต่เป็นผู้ฟุง้งซ่านมีจิตไม่สงบเดินจากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่งจากวิหารนหนึ่งไปสู่อีกวิหารหนึ่งจากเรือนหลังคาด้านเดียวแห่งหนึ่งไปสู่เรือนหลังคาด้านเดียวอีกแห่งหนึ่ง จากประสาทหนึ่งไปสู่อีกประสาทหนึ่งจากเรือนล้นหลังหนึ่งไปสู่เรือนล้นอีกหลังหนึ่งจากถ้ำหนึ่งไปสู่อีกถ้ำหนึ่งจากที่หลีกเร้นแห่งหนึ่งไปสู่ที่หลีกเร้นอีกแห่งหนึ่งจากกุฏิหนึ่งไปสู่อีกกุฏิหนึ่งจากเรือนยอดแห่งหนึ่งไปสู่เรือนยอดอีกแห่งหนึ่งจากฟ้อมหนึ่งไปสู่อีกฟ้อมหนึ่งจากปารามหนึ่งไปสู่อีกปารามหนึ่งจากเรือนที่พักแห่งหนึ่ง ไปสู่เรือนที่พักอีกแห่งหนึ่งจากโรงเก็บของแห่งหนึ่งไปสู่โรงเก็บของอีกแห่งหนึ่งจากโรงชั้นแห่งหนึ่งไปสู่โรงชั้นอีกแห่งหนึ่งจากโรงกลมแห่งหนึ่งไปสู่โรงกลมอีกแห่งหนึ่งจากโคนต้นไม้แห่งหนึ่งไปสู่โคนต้นไม้อีกแห่งหนึ่งเป็นที่ไปที่พวกพิกษุนั่งกันอยู่เป็นที่สองของพิสูจนึงรูปเป็นที่สามของพิกษุสองรูป หรือเป็นที่สี่ของภิกษุสามรูปในที่นั้นผู้เรื่องเพอเจ้อมากมายในที่นั้นคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องความเจริญและความเสื่อมภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าและไม่เป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขอธิบายว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออก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 หนักในประโยชน์ของตนรวมความว่าเป็นผู้ไม่สอสายจากสุและไม่เป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุคาว่าคุ้มครองอินทรีในคำว่าคุ้มครองอินทรีรักษาใจได้แล้วอธิบายว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสารวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สารวมแล้ว จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบเำเอาได้ย่อมรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกายรู้ธรรมารมทางใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินสีสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรม เพออภิชาและโทมนัะครอบงาเอาได้ย่อมรักษามนินรีถึงความสำรวมในมนินรีรวมความว่าคุ้มครองอินซีคำว่ารักษาใจได้แล้วได้แก่คุ้มครองใจชื่อว่ารักษาจิตได้แล้วรวมความว่าคุ้มครองอินซีรักษาใจได้แล้วคำว่าไม่ชุ่มด้วยกิเลสในคำว่า ไม่ชุ่มด้วยกิเลสไฟกิเลสมิได้เผาอธิบายว่าสมจริงดังที่ท่านพระมหาโมคลานะได้กล่าวไว้ว่าผู้เ่อมยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายกตาสาคว ส, สุตตะปริยายสรแก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงฟังเทศนานั้นจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวภิสุเหล่านั้นรับคำของท่านพระมหาโมคลานะว่า อย่างนั้นท่านผู้มีอายุท่านพระมหาโมคลานะได้กล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายพิสุเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสเป็นอย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วย่อมยินดีในรูปที่น่ารัก บริตจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุติและปัญญาวิมุตตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลภัณฑ์ทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมยินดีในธรรมารมณ์ที่น่ารักย่อมยินร้ายในธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารัก เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตฐจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอากุโฉรธรรมเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู ในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจผู้มีอายุทั้งหลายถ้าแม้มานเข้ามาหาภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางตามานก็พึงได้ช่องได้อารามณ์ถ้าแม้มานเข้ามาหาภิกษุนั้นทางหูถ้าแม้มานเข้ามาหาภิกษุนั้นทางใจมานก็พึงได้ช่องได้อารมณ์เรือนที่สร้างด้วยไม้อ้อหรือเรือนที่สร้างด้วยหญ้าแห้งกรอบ ฝนรั่วรดได้ถ้าแม้คนเอาคบเพลิงที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันออกไฟก็พึ่งได้ช่องได้เชื้อถ้าแม้คนเอาคบเพลิงที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันตกทางทิศเหนือทางทิศใต้ทางเบื้องต่าทางทิศเบื้องบนถ้าแม้คนเอาคบเพลิงที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศไหนๆก็ตาม ไฟก็พึงได้ช่องได้เชื้อแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแม้มานเข้าไปหาภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นทางตามานก็พึงได้ช่องได้อารมณ์ถ้าแม้เข้าไปหาภิกษุนั้นทางหูมานเข้าไปหาภิกษุนั้นทางใจมานก็พึงได้ช่องได้อารมณ์รูปครอบงนภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ได้ ภิกษุหาครอบเงารูปได้ไหมเสียงครอบเงาภิกษุได้ภิกษุหาครอบเงาเสียงได้ไหมกลิ่นครอบเงาภิกษุได้ภิกษุหาครอบเงากลิ่นได้ไหมรสครอบเงาภิกษุได้ภิกษุหาครอบเงารสได้ไหมโผฏฐะพระครอบเงาภิกษุได้ภิกษุหาครอบเงาโผฏฐะพระได้ไหมธรรมารมครอบเงาภิกษุได้ ภิกษุหาครอบงมธรรมารมณ์ได้ไม่ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ถูกครอบงาเผื่อถูกรูปครอบงำถูกเสียงครอบงำถูกกลิ่นครอบงำถูกรสครอบงำถูกผลัพพะครอบงำและถูกธรรมารมณครอบงำถูกกิเลสเหล่านั้นครอบงำธรรมที่เป็นบาปอากุศลอันเป็นเหตุที่เจ้ามองทําให้เกิดในภพใหม่มีความกระว์กระวายมีทุกข์เป็นวิบาก เป็นที่ตั้งชาติชราและมรณะต่อไปครอบงำเธอแล้วภิกษุเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่เป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่ยินดีในรูปที่น่ารักไม่ยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอภปมานจิตอยู่ และรู้ชัดเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอฟังเสียงทางหูรู้ธรรมมรมทางใจแล้วไม่ยินดีในธรรมมรมอันน่ารักไม่ยินร้ายในธรรมมรมที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติและมีอัปปมามจิตอยู่และรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต ตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับโดยมิเหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแก่เธอพิสษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยกิเลสในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยกิเลสในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยกิเลสในธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจถ้าแม้มารเข้ามาหาพิสูนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นทางตา มานก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้อารมณ์ถ้าแม้มานเข้ามาหาภิกษุนั้นทางหูถ้าแม้มานเข้ามาหาภิกษุนั้นทางใจมานก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้อารมณ์กูตาคารกูตาคารสาลาหรือคาระสาลาพอกดินนามีเครื่องฉาบทาเปียกถ้าแม้คนเอาคบเพลิงย่าที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันออก ไฟก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้เชื้อถ้าแม้คนเอาคบเพลิงหญ้าที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันตกทางทิศเหนือทางทิศใต้ทางทิศเบื er, <ne> ้องต่ําทางทิศเบื้องบนถ้าแม้คนเอาคบเพลิงหญ้าที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศไหนไหนก็ตามไฟก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้เชื้อแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 เสียงครอบเงาพิสูจน์ไม่ได้ภิกษุครอบเงาธรรมารมณ์ได้ธรรมารมณ์ครอบเงาพิกษุไม่ได้ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ครอบเงาคือครอบเงารูปได้ครอบเงาเสียงได้ครอบเงากลิ่นได้ครอบเงารสได้ครอบเงาโผฏฐะได้ครอบเงาธรรมารมณ์ได้ไม่ถูกกีเลศเหล่านั้นครอบเงาเธอครอบเงาธรรมที่เป็นบาปอกุศล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 ไฟคคอโมหะแผดเผาไม่ได้รวมความว่าไม่ชุ่มด้วยกิเลสไฟกิเลสไม่ได้เผาจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดด้วยเหตุนั้นพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่าภิกษุเป็นผู้ไม่สอดสายจักสุและไม่เป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคุ้มครองอินทรีย์รักษาใจได้แล้วไม่ชุ่มด้วยกิเลสไฟกิเลสไม่ได้เผา จึงประพฤติยอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจคสมพุทธเจ้ากล่าวว่าพระประเจคสมพุทธเจ้าลงเครื่องหมายเครห์หัดแล้วครองผ้ากาสาวะออกปวดเหมือนต้นทองลหลงมีใบทึบ จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดคำว่าปรงเครื่องหมายคระห์หัดแล้วอธิบายว่าผมหนวดผ้าชายยาวเรียกว่าเครื่องหมาย ค, คระห์หัดคำว่าปลงเครื่องหมายคระห์หัดแล้วอธิบายว่าปรงคือปรงลงทิ้งระงับเครื่องหมายคระห์หัดแล้วรวมความว่าปรงเครื่องหมาย ค, คระห์หัดแล้ว คำว่าเหมือนต้นทองแหลงมีใบทึบอธิบายว่าต้นปาริฉัดคือต้นทองแหลงนั้นมีใบหนาแน่นมีร่มเงาชิดฉันใดพระปจเจกสัมพุทธเจ้านั้นก็ทรงบาทและจีวรครบฉันนั้นรวมความว่าเหมือนต้นทองแหลงมีใบทึบคำว่าครองภากาสาวะออกบทอธิบายว่า พระปฏิเจตกสัมพุทธเจ้านั้นตัดความกังวลในการครองเรือนความกังวลด้วยบุตรภันยาความกังวลด้วยญาติความกังวลด้วยมิตรและอมาตะความกังวลด้วยการสะสมปรลงผมและหนวดนุ่งห่มภาพกาสาวะออกบวชจากเรือนเป็นบนรรพชิตเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีความกังวลประพฤติคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไป ยังชีวิตให้ดำเนินไปผู้เดียวรวมความว่าครองผ้ากาสาวะออกบวชจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกด้วยเหตุนั้นพระประเจกสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้าปรงเครื่องหมายเครือหัดแล้วครองผ้ากาสาวะออกบวชเหมือนต้นทองแหลงมีใบทึบจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก ปเจกปสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเพราะปเจกประรสัมพุทธเจ้าไม่ทําความยินดีในรถไม่โลเลผู้ที่ไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นเที่ยวบินทบาทตามลําดับตรอกมีใจไม่ผูกพันในตระกูลต่างๆจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกว่าด้วยรถคําว่าไม่ทําความยินดีในรถไม่โลเลอธิบายว่าคําว่ารถได้แก่ รสจากรากรสจากลำต้นรสจากเปลือกรสจากใบรสจากดอกรสจากผลรสเปรี้ยวรสหวานรสขมรสเผ็ดรสเค็มรสปลารสเฟื่อนรสฝาดรสอร่อยรสไม่อร่อยของเย็นของร้อนสมณพราหมณ์บางพวกยินดีในรสสมณพราหมณ์เหล่านั้นเที่ยวแสวงหารสเลิศเพื่อปลายลิ้น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 ได้รถเข็มแล้วก็แสวงหารถไม่เข็มได้รถไม่เข็มแล้วก็แสวงหารถเข็มได้รถปลาแล้วก็แสวงหารถไม่ปลาได้รถไม่ปลาแล้วก็แสวงหารถปลาได้รถฝาดแล้วก็แสวงหารถไม่ฝาดได้รถไม่ฝาดแล้วก็แสวงหารถฝาดได้รถเฟือนแล้วก็แสวงหารถไม่เฟือนได้รถไม่เฟื่อนแล้วก็แสวงหารถเฟือน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 เกี่ยวพันผัว พ, พันในรถที่ชอบใจตัณหาในรถนี้พระประเจ ก, กสัมพุทธเจ้านั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นพระประเจ ก, กสัมพุทธเจ้านั้นพิจารณาแล้วโดยแยบคลายจึงฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมา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 เพื่อให้ร่างกายนี้ดำเนินไปได้เพื่อรงับความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เท่านั้นด้วยมนัสุการว่าเราจับบำบัดเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นการดำเนินชีวิตของเราความไม่มีโทษและอยู่สบายได้ด้วยวิธีการอย่างนี้เป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพน้นไม่เกี่ยวข้องกับตัณหาในรด มีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่ทำความยินดีในรสคำว่าไม่โลเลอธิบายว่าตัณหาคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุสมรมูลคือโลภะเรียกว่าความโลเลหรือความโลภตัณหาคือความโลเลความโลภนั้นพระปจเจ ก, กสัมพุทธเจ้านั้นละได้เด็ดขาดแล้ว รากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําไม่ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นพระปัจเจ้าสัมพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าไม่โลเลรวมความว่าไม่ทําความยินดีในรถไม่โลเลคําว่าผู้ที่ไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นในคําว่าผู้ที่ไม่ต้องเลี้ยงคนอื่น เที่ยวบินธบาตามลำดับตรอกอธิบายว่าพระประเจ ก, กสัำพุทธเจ้านั้นเลี้ยงแต่ตนเท่านั้นไม่เลี้ยงคนอื่นเราเรียกบุคคลผู้ที่ไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นรู้จักตนฝึกฝนตนได้ตั้งมั่นอยู่ในสารธรรมสิ้นอาชวะแล้วร้อยข้อบอกพร่องนั้นว่าเป็นพราหมณ์รวมความว่าผู้ที่ไม่ต้องเลี้ยงคนอื่น คำว่าเที่ยวบินทบาตตามลำดับตรอกอธิบายว่าเวลาเช้าพระปัจเจกจัมพุทธเจ้านั้นครองผ้าแล้วถือบาจีวอนเข้าหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบินทบาตรักษากายรักษาวาจารักษาจิตแล้วตั้งสติสำรวมอินทรีย์มีตาทอดลงสมบูรณ์ด้วยอิเรียบทเข้าออกจากตรกูหนึ่งไปสู่ตรกูหนึ่ง เที่ยวไปเพื่อบินทบาทรวมความว่าผู้ที่ไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นเที่ยวบินทบาตตามลำดับตรอคำว่ามีใจไม่ผูกพันในตระกูลต่างๆอธิบายว่าพิกษุมีใจผูกพันด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งเมื่อวางตนต่าวางผู้อื่นสูงชื่อว่ามีใจผูกพันสองเมื่อวางตนสูงวางผู้อื่นต่า ชื่อว่ามีใจผูกพันภิกษุเมื่อวางตนต่ำวางผู้อื่นสูงเป็นผู้มีใจผูกพันเป็นอย่างไรเคอภิกษุกล่าวว่าพวกท่านมีอุปการะมากแก่อัตมภาพอัตมภาพอาศัยพวกท่านจึงได้จีวรนบินตบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศปบริคารคนเหล่าอื่นอาศัยพวกท่านเห็นกับพวกท่านจึงเข้าใจที่จะให้ หรือจะทำแก่อัตมภาพชื่อและสกุลเก่าของมันดาบิดาของอัตมภาพสูญหายไปหมดแล้วพวกท่านทำให้อัตมาภาพเป็นที่รู้จักว่าอัตมาภาพเป็นพระประจำตระกูลของอุบาสกโน้นเป็นพระประจำตระกูลของอุบาสิกาโน้นดังนี้เมื่อวางตนต่ำวางผู้อื่นสูงชื่อว่าเป็นผู้มีใจผูกพันเป็นอย่างนี้ ภิกษุเมื่อวางตนสูงวางผู้อื่นต่ำเป็นผู้มีใจผูกพันเป็นอย่างไรคพือภิกษุกล่าวว่าอาตมภาพมีอุปการะมากแก่พวกท่านพวกท่านอาศัยอาตมภาพแล้วจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเว้นข่าจาปานติบาตอทิ น, นาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาวาท เว้นขาจากสุราเมรยัยอันเป็นของหมินเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอัตมภาพบอกอุเทศบ้างปริปุชชาบ้างอุโบสถบ้างแก่พวกท่านอัตมภาพอธิษฐานนวกรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกท่านยังทอดทิ้งอัตมภาพไปจักกระเคารพนับถือบูชาผู้อื่นเมื่อวางตนสูงวางผู้อื่นต่ำ ชื่อว่าผู้มีใจผูกพันเป็นอย่างนี้คําว่ามีใจไม่ผูกพันในตระกูลต่างๆอธิบายว่าพระปัเจกสัมพุธเจ้านั้นมีใจไม่ผูกพันด้วยภุละปริโพธ์ความกังวลเกี่ยวกับตระกูลคณะปริโพธ์ความกังวลเกี่ยวกับหมู่คณะอาวาสปริโพธ์ความกังวลเกี่ยวกับอาวาสจีวระปริโพธ์ ความกังวลเกี่ยวกับจีวรบินธบาศปริพโธดความกังวลเกี่ยวกับบินธบาศเสนาสนะปริพโธดความกังวลเกี่ยวกับเสนาสนะกีฬานปัจจัยเพศบริขารปริพโธดความกังวลเกี่ยวกับกีลานปัจจัยเพศบริขารรวมความว่ามีใจไม่ผูกพันในตระกูลต่างๆจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดด้วยเหตุนั้น